ควรได้ตั้งใจไว้เฉพาะไม่ต้องสนใจกับสิ่งใดๆทางนั้นและไม่ทำความกดที่บังคับจิตใจจนเกินไปทำความรู้สึกไว้โดยดั่งพังต่านั้น จนเกินไปก็เป็นความไม่สะดวกสำหรับใจที่จะทำหน้าที่รับรู้ในธรรมที่มาสัมผัสธรรมะคำส อ, สอนของพระพุทธทเจ้า ท่านเรียกว่าธรรมโอสถเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจที่มีสิ่งมัวหมองอยู่ภายในตนให้มีความสะอาด ูเรื่องของตนขึ้นไปโดนลโดยลำดับวันนี้ท่านผู้เสวงหาบุญทั้งหลายได้อุตสาห์แวงว่ามาจากทางไกลไม่มีความอะไร ในชีวิ ต, ตจิตใจในความทุกข์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้นเพราะการเดินทางหรือจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใดๆมุ่งหน้าเพื่อจะแสวงหาคุณงามความดี เพือเป็นเครื่องประดับจิตใจของตนซึ่งเป็นผู้หาได้ยากแต่และท่านละท่านพร้อมท่าน ท, ทั้งท่านที่เป็นนักบวชซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆได้มาอบรมอยู่ในสำนักนี้เป็นเวลานานบ้างไม่นานบ้าง ด้วยความสนใจของแต่ละท่านละท่านธรรมะมีอยู่ในสถานที่ใดพระพุทธเจ้ า, าก็เป็นคนเหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายทำไมพระองค์จึงขุดค้นขึ้นมาได้ กลายเป็นครูสอนโลกให้ปรากฏเด่นในมุทนเนี้ยเทวดาทั้งหลายจนกระทั่งถึงบัตนี้ธรรมะกับโลกอยู่ในฉากเดียวกัน คืออยู่ในหวัวใจอันเดียวกันผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะรื้ฟื้นธรรมะซึ่งมีอยู่ในหลักธรรมชาติคือภายในใจขึ้นมาเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามากแต่ตนเองและสามารถยกตนให้พ้นจากทุกไปได้ เพราะธรรมะนั้นๆแต่ผู้ไม่ฉลาดอาจจะเห็นว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเป็นโมฆะไปบ้างว่ามีมีอยู่ในที่อื่นซึ่งนอกไปจากใจซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งธรรมบ้าง เพราะฉะนั้นขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายและท่านที่ใครต่อความพ้นทุ ก, ท, กทุกท่านโปรดได้ทราบว่าธรรมะคํา ส, สอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือหัวใจดวงรูรนี้เพราะ อายะัดจะทำทั้งสี่ก็คือหัวใจดวงนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มรรคผลนิพานจะได้แก่อะไรถ้านอกจากอีกดวงนี้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามองข้ามใจของตนเองไปเสีย โดยมากก็พลาดจากหลักความจริงไม่สามารถจะลื้อฟื้นหลักความจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์กับใจของตนเองและไม่สามารถที่จะนำไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้คำว่าอริยสัจ บรนดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ทราบมาเป็นเวลานานได้แก่อะไรอริยสัจจะทำท่านตรัสไว้ว่ามีสี่คือทุกข์ได้แก่ความลำบากทางกายและทางใจสมุทัยคือกงจักรที่หมุนรอบอยู่กับจิตตลอดเวลา ซึ่งได้รับความกดดันมาจากอภิชฌาคือความรู้ที่งมงายนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์และสมุทยัยมัตได้แก่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็น เครื่องแก้สมุทัยที่มีอยู่กับหัวใจดวงนั้นให้หมดสิ้นไปกลายเป็นผลคือความบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกว่าอาริยสัจธรรมทั้งสี่บรรดาพระพุทธทเจ้าและสาวกทุกๆพระองค์ยอมถืออริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นทางเดิน ถ้าไม่มีอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้แล้วจะปรากฏเป็นพระพุทธทเจ้าและสาวกขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีทางเดินทุกเป็นทางเดินได้อย่างไรสมุทัยเป็นทางเดินได้อย่างไรคําว่าทุกขเป็นทางเดินได้นั้น กูจะพ้นจากทุกข์ย่อมพิจเจรณ น, นาทุกข์ให้เห็นทั้งเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ให้เห็นทั้งผลคือตัวทุกข์ที่ประจักษ์อยู่กับกายกับใจของตนเองด้วยปัญญาคําว่าทุกข์มีอยู่สองประเภทคือเกิดขึ้นทางกายและเกิดขึ้นทางใจ คำว่าสมูททยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์ได้จาความคิดความปรุงของใจที่เกิดขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งอวิชชาคือความรู้มงมงายนั้นเมื่อปรุงไปทางใดยอมเป็นกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อน นี่ท่านเรียกว่าสมุ ท, ทยเรื่องของมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องแก้รื่งความรุ่มหลงทั้งหลายเหล่านั้นศีลท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจทุกๆ ท, ท่านแล้วคำว่าสมาธิคือความสงบของใจ ใจถ้าไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้แน่แต่น้อยถ้าใจเริ่มสงบเราก็เริ่มจะเห็นความสุขและเริ่มเห็นใจของตนเองว่าจะเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาความสงบได้แก่ใจที่ เคยก่อไฟคือความรุ่มร้อนหรือคิดไปเพื่อความรุ่มร้อนให้มาเผารนตนเองความสงบจากสิ่งเหล่านี้แม้จะชั่วขณะเดียวท่านก็เรียกว่าสมาธิเมื่อจิตเริ่มมีความสงบ ใจก็เริ่มจะเห็นคุณเกิดขึ้นในตัวเองเพราะฉะนั้นความสงบจึงเป็นธรรมจำเป็นซึ่งจะเป็นรากฐานหรือเป็นสักขีพยานแห่งความสุขอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพระศา ส, สนาความสงบมีหลายชั้นโปรดได้ทราบไว้ด้วย ว่าความสงบอย่างหยาบปรากฏขึ้นในจิตชั่วระยะเวลาไม่นานแล้วก็จิดจางและหายไปเมื่อเราได้บำเพ็ญอยู่เรื่อยๆความสงบซึ่งเกิดขึ้นมาชั่วขณะนั้นก็จะค่อยยืดยาวไปเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งเหตุ ได้แก่การอบรมของเราได้ทำอยู่เสมอความสงบของใจจะเริ่มปรากฏและมีกําลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นใจจะเริ่มมีความสุขและจะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาตั้งแต่การไหน จะรู้สึกขึ้นในขนาดที่ใจได้รับความสงบนั้นนี่ท่านเรียกสมาธิความสงบของใจอีกประเภทหนึ่งเมื่ อ, อยังเข้าสู่ความสงบแล้วจะถอยออกมาบ้างเล็กน้อยแล้วรู้เรื่องรู้ราวอันจะมาปรากฏ ในขณะนั้นนี่เรียกว่าอุปจาระสมาธิคือรวมลงไปแล้วออกรู้เหตุต่างๆซึ่งจะมาสัมผัสในทางใจสมาธิอีกประเภทหนึ่งเมื่อสงบลงไปแล้วอยู่กับที่ด้วยและมีความสงบอย่างละเอียดด้วย ความสงบมีความละเอียดมากเท่าไรความวัเศจรรยร์ของด้านสมาธินี้ก็จะมีปรากฏขึ้นมากเท่านั้นบางครั้งถึงกับหมดความปรุงซึ่งเคยเป็นอยู่กับจิตตลอดเวลาในขณะนั้นจะไม่มีความปรุงใดๆ มารบพวนใจใจที่ปราศจากความปรุงนั้นเรียกว่าใจตดปล่อยภาระออกจากตัวเองแล้วดำลงตนอยู่อยู่โดยอิสระเฉดีในขณะนั้นสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่อัศจรรย์อยู่มากถ้าความรู้ไม่รอบคอบในสมาธิประเภทนี้ อาจจะเกิดความสำคัญขึ้นในตนในขณะนั้นว่าตนสิ้นแล้วจาก ว, าจจวิริยอาัวะอย่างนี้ก็เป็นได้แต่พอสมาธินั้นถอนขึ้นมาสังขารคือความปรุงก็เริ่มทำงานตามหน้าที่ของตนแต่ความเชื่อมั่นในจิตที่ได้เคยปรากฏผลเช่นนั้น จะฝังอยู่ในใจตลอดเวลาและความอัศจรรย์ทั้งความสุขซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะเป็นเครื่องฝังจิตฝังใจเพิ่มกําลังศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรมเพิ่มความอาหานเพิ่มความอดทนเพิ่มความภาคความเพียรขึ้นเป็นลำดับ ที่จะให้สมาธิประเภทนั้นมีกำลังมากขึ้นและมีกำลังตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้เราจะใช้อุบายของปัญญาเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ คือความสงบนั่นแล้วต้องพิจารณาในทุกขัสั์ซึ่งมีอยู่ประจำร่างกายของเราถือกายเป็นชัยสมรรถภูมิในการที่จะลบกิริสคือปะทานความถือมั่นแห่งกายของตน ว่ากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของสวยของงามกายนี้เป็นของแน่นหนามัน่นคงกําหนดพิจารณาตามสภาพของกายนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเป็นลํำดับลํำดับผิวหนังในหนังเนื้อ เอ็นกระดูกเข้าสู่ภายในแยกส่วนแบ่งส่วนหรือจะใช้ปัญญาไก่กรองอยู่ตามส่วนแห่งร่างกายทั้งข้างในข้างนอกท่องเที่ยวอยู่ตามสันสะพังร่างกายไก่กรองดูด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นเรื่องของปัญญาสภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ จะเป็นธรรมเทศนาสอนเราให้ได้สติให้ได้ปัญญาให้เกิดความเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับลำดับไปเรื่องของทุกข์จะไม่มีอะไรในโลกนี้มากยิ่งกว่าเรื่องกายกับใจเป็นทุกข์ภูเขาทั้งลูกเราจะเห็นว่า ใหญโตและหดฐานไม่ได้เท่ากองทุกที่มีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเราความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเหานี้ทาใจของเราให้มีความกระเทือนหวั่นไหวถึงกับรับทานไม่ได้นอนไม่หลับถ้าทุกข์ได้เกิดขึ้นภายในกายหรือภายในใจมากๆโดย ตนเองไม่ได้อบรมทางด้านธรรมะแล้วบางรายถึงกับเสียสติสตังเป็นบอเป็นบ้าไปก็มีมากเพราะอํานาจของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายและภายในใจอย่างรุนแรงนี่เพราะฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายกับใจนี้จึงจัดว่าเป็นของใหญ่โตมาก บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามโลกไม่ได้ก็เพราะติดภูเขาทั้งลูกได้แก่ติดกายอันนี้ติดกองทุกข์อันนี้การพิจารณาทุกนี้เพื่อจะให้เห็นชัดเจนในเรื่องความทุกโดยทางปัญญาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่า กายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นสุขเป็นของเที่ยงเทียได้เป็นลำดับลำรับนี่วิธีที่จะนากายปัญหาใหญ่โตที่สุดก็คือเรื่องความทุกข์ในกายและในใจเท่านั้นที่เป็นธรรมชาติใหญ่โตและวกว้างขวา ง, งที่สุด ในสัตว์และบุคคลนั้นๆที่จะทำตนของตนให้เวียนว่ายตายเกิดหมุนกันกับทุกข์อยู่นี้ไม่มีวันที่จะแยกตนกับทุกข์ออกจากกันได้ก็เพราะความหลงในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสภาพเหล่านี้จึงเป็นของใหญ่โตมากองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าเวลาตรัสซู้ก็ต้องได้มาพิจารณา ส่วนพระกายของพระองค์เจ้าจนชัดเจนด้วยปัญญาธรรมชาตินี้เองเป็นเครื่องปกปิดความรู้ความฉลาดปกปิดความเป็นอนัตตาเสียได้ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนอนัตตาที่ประกาศตัวอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอำนาจพอที่จะมองเห็นด้วยปัญญา เมื่อเราได้พิจรารณาแยกแยะออกดูโดยทางปัญญาพิจรารณาแล้วพิจรารณาเล่าอยู่เช่นนี้ทั้งด้านแห่งกายว่าเป็นทุกข์ทั้งด้านความแปรปรวนแห่งกายทั้งด้านความเป็นอนาตาแห่งกายนี้อยู่เสมอโดยทางปัญญาแล้วภาระคือความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นสินกฎทวงจิตใจของเราให้ได้รับความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจืดจางหรือเบาบางลงเป็นลำดับลำดับปัญญาของเรามีความฉลาดมากเท่าไหร่เราจะต้องปลดเปลื้องภาระคืออุปทานตัวนี้ออกได้เป็นลำดับไปเช่นนั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องภาระ เหล่านี้ออกได้พระอำนาจของปัญญาแล้วแม้สิ่งอื่นซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปจะทนต่อปัญญาที่เราฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สามารถจะรู้แจ้งเห็นชัดในส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปได้เช่นเดียวกับเราที่รู้แจ้งเห็นชัดในส่วนแห่งกายอันนี้ นี่เรื่องของปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ความเห็นชัดด้วยปัญญานั้นจะเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมากยิ่งกว่าความอัศจรรย์นในสมาธิเพราะพิจารณาเห็นอันใดสิ่งใดชัดความถอดถอนในสิ่งนั้นๆนจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจ ผลที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆได้แก่ความเบาจิตเบาใจโรงโถงไปหมดภายในจิตใจของตนเหมือนบุคคลที่หาพามทัพสำพาระมาอย่างหนักหน่วงแล้วปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกเสียจากตนจะมีความ สะดวกกายสบายใจไม่น้อยเช่นนั้นภาระอันใดไม่มากยิ่งกว่าภาระความรุ่มหลงไปยึดเอาสภาวธรรมทั้งหลายเข้ามาเป็นตนเป็นของตนเพราะฉะนั้นสภาวธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นเรื่องเป็นราว ไปตามจิบที่เป็นเจ้าเรื่องการพิจารณาโดยอุบายปัญญาเช่นนี้จึงเป็นวิธีที่จะถอดถอนทาระทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้โดยลำดับเมื่อปัญญาของเรามีความสามารถรู้ทันในสภาวะ ที่มีอยู่รอบตัวของเราคือกายนี้อย่างชัดเจนแล้วความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นภายในกายความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นภายในใจท่านเรียกว่าเป็นตัวผลอันหนึ่งก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจของเราให้ได้มีความรู้สึก แล้วค้นเข้าไปหาตัวเหตุได้จก่ความรุ่มหลงซึ่งระบายออกมาจากใจของตนโดยเฉพาะเมื่อปัญญาได้ทันกับส่วนนามธรรมาคือเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงของใจ วิญญาณคือความรับรู้เมื่อเราได้มีความรอบครอบในสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นลำดับแล้วเราจะทราบชัดทั้งฐานที่เกิดแห่งอาการทั้งหลายที่กล่าวมานี้โดยทางปัญญาอีกเช่นเดียวกันนี่ความรู้ชัดเข้าไปมากน้อย ตรวได้ทราบว่าการถอดถอนกิเลสก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องถอดถอนเข้าไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันอาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นทางเดินของอวิชชาตัววัตจักได้จะจิตดวงลุ่มหลงดวงนั้นเมื่อตามทางเข้าไป คือตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจะเข้าไปสู่จุดเดียวนั้นเช่นเดียวกับทางสายต่างๆที่ออกจากกรุงเทพใครอยู่ทางไหนก็เดินตามทางนั้นเข้าไปก็จะไปเห็นกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองเดียวกันนี่ทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทางที่ ปัญญาจะใต่เต้าตเข้าไปจนกระทั่งถึงเมืองหลวงของวัตจักรได้แก่อวิชาคือจิต ด, ดวงรู้จิต ด, ดวงรู้อันนี้เป็นจิตของวัตจักรวัตจักรจะต้องอาศัยจิต ด, ดวงนี้ เป็นเครื่องเดินหรือเป็นผู้เดินถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้ววัตถจักจะเป็นไปในสัตว์ในบุคคลไม่ได้ที่เกิดจเจ็บตายไม่มีวันหยุดยัง้งหมุนอยู่ตั้งกับตั้งกันก็เพราะจิต ด, ดวงนี้เองไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าจิต ด, ดวงนี้เป็นวัตถจักรหรือไม่ ทั้งๆ ท, ที่จิต ด, ดวงนี้พาให้เกิดให้ตายหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองอยู่ตั้งกลับตั้งกันนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราพิจารณาตามกระแสหรือตามทางของอภิชาที่เดินออกมาสู่กายคือความหลงในกาลความหลงในเวทนาความหลงในสัญญาสังขารวิญญาณ จึงเป็นเหตุที่จะให้เราได้รู้เข้าไปถึงจุดอันสำคัญได้แจ็กิตที่เป็นวัตจักดวงนั้นเมื่อปัญญาได้ผุดค้นเข้าเป็นลำดับจนถึงวัตจิตหรือวัตจักนั่นแล้ววัตจักรนั้นจะถูกทำลายด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดให้เสร็จสิ้นไป หรือให้ทลายลงไปจากความเป็นวัตตจักกลายเป็นวิวัตตจักขึ้นมาเมื่อวิวัตตจิตได้สลายตัวลงไปก็ เ, เมื่อวิเมื่อวัตตจิตได้สลายตัวลงไปวิวัตจิตคือความบริสุทธิ์ล้วนๆจะปรากฏขึ้นแทนที่ที่วัตตจิตมีอยู่นั้น นั่นกลายเป็นจิตนอกสมมติไปแล้วท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นขึ้นเพราะวิวัตจิตดวงนี้ที่โผล่ขึ้นมาจากวัตจิตเพราะอำนาจของพระปัญญาของพระองค์เจา้าแม้สวาวกที่เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกวันนี้ก็โปรดได้ทราบว่าท่านตากฏขึ้นเพราะวัตจิตดวงนั้นได้หายไป ด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิวัตจิตได้โผล่ขึ้นมาแทนที่ที่วัตจิตเคยมีอยู่ก่อนเมื่อถึงจิตขั้นหมดสมมุตินี่แล้วเรื่องใดๆก็เป็นอันว่ายุติลงได้จากวิวัตจิตลงนั้น ท่านกล่าวไว้ในธรรมซึ่งพระท่านเคยสวดเสมอในเวลาคนตายว่าอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปปารณวยธรรมมีโนมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุษชันติเกิดแล้วต้องดับ เต้สร้างวูปะสโมสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ดังนี้เราจะเห็นว่าอะไรเป็นสังขารที่แท้จริงถ้าเราจะเห็นว่าต้นไม้ภูเขาเป็นต้นซึ่งไม่มีวิญญาณของเป็นตัวสังขารด้วยแล้วพระพุทธเจ้าว่าการตรัสไว้ว่าการระงับสังขาร เรานั้นเป็นสุขเมื่อพระพุทธเ จ, จ้าได้ตรัสรู้เป็นรเป็นพระพุทธเ จ, จ้าขึ้นมาแล้วต้นไม้ภูเขาเรานั้นได้ปรากฏว่าดับไปด้วยหรือไม่ต้นไม้ภูเขาสิงใดที่ปรุงตัวขึ้นด้วยอำนาจของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ปราศจากวิญญาณกรองเราทั้งหลายก็ยัง เห็นปรากฏดูจนสมัยทุกวันนี้ไม่เคยเห็นภูเขาลูกไหนล้มละลายสูญหายไปเพราะความตัดตรัสรู้ของพระพุท ธ, ธเจ้าความตรัสรู้ของสงฆ์สาวกของพระพุท ธ, ธเจ้าต้นไม้ภูเขาทุกทุกอย่างบรรดาที่เราให้ชื่อให้นามว่าเป็นสังขารยังคงมีอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันในณวันนี้และสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ก็ยังจะมีไปอีกเป็นเวลาไม่ทราบว่าจะกี่กับกี่กันนี่เมื่อพิจารณาตามสังขารที่ท่านตรัสไว้ว่าอนิจจาวัสังขาราแล้วเราจะเห็นว่าสังขารประเภทใดที่เกิดขึ้นและละงับไปนอกจากสังขารประจําใจเท่านั้น สังขารเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้บุคคลหรือสัตว์ผู้ลุ่มหลงไปตามให้ได้รับความทุกข์แต่เมื่อสังขารประเภทนี้ได้ดับไปแล้วเท่านั้นความสุขอันยิ่งใหญ่จึงจะปรากฏขึ้นนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญที่จะทําความทุกข์ ให้แก่ บ, บรรดาสัตว์และบุคคลทั่วๆไปนอกจากสังขารที่เกิดขึ้นภายในตนเท่านั้นนี่เราจะเห็นได้ในภาคตข้อนี้หากว่าสังขารที่กล่าวนี้หมายถึงสังขารทั่วๆไปแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ระ ง, งับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นที่ว่านี้ บรรดาสังขารทั่วๆไปที่เรามองเห็นด้วยตามีต้นไม้ภูเขาเป็นต้นต้องดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ในแผน่นแผ่นดินอันนี้แต่นี้สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นยังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่เคยบกพร่องไปนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่เราจะเห็นได้ว่าสังขารที่เป็นภัยก็คือสังขารซึ่งเกิดขึ้นจากใจนี้เท่านั้นการระงับดับเสียซึ่งสังขารว่าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ ก็ได้แก่การระ ง, งับสังขารที่เป็นภัยแก่ตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากใจของตัวเท่านั้นเป็นของสงาคัญยิ่งกว่าอันใดเพราะสังขารเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสังขารที่จะทำความรุ่งโรงให้บุคคลนอกจากว่าสังขารตัวนี้ไปก่อเรื่องความรุ่งหลงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมาผูกมัดตนเองเท่านั้น สังขารที่กล่าวนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทยัยส่วนใหญ่คืออวิชชาเมื่ออวิชชาดับแล้วสังขารประเภทนี้คือที่เกี่ยวกับเรื่องความบงการของอวิชชาก็าดับไปที่ยังเหลืออยู่ก็คือสังขารของวิมุตตะเท่านั้นได้แก่สังขารของพระหัต์หรือของพระพุทธเจ้า สังขารของปุถุชนเช่นพวกเราทั้งหลายนี้จะปรุงขึ้นเพราะอานาจของอวิชชาทั้งนั้นเป็นเครื่องชักดุหรือเป็นเครื่องกดดันออกมาการนังับตับเสียซึ่งสังขารจึงหมายเอาสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอานาจของอวิชชาเป็นเครื่องกดดันออกมาเมื่ออวิชชาดับลงไปแล้วสังขาร ประเทศที่มีอยู่ประจำขันหานี้ก็กลายเป็นสังขารของพระอารียเจ้าไปเสียไม่เป็นพิษเป็นภัยอันใดแก่ท่าน เ, เวลาจะใช้การใช้งานหรือคิดปรุงแต่งอะไรก็ได้ตามความต้องการแต่เป็นไปโดยธรรมไม่ได้ทำความผูกมัดตนเองเองเหมือนอย่างสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นผู้บงการ ừ, เพราะฉะนั้นคาว่าอนิจจาวัสังขาราก็ดี ทำว่าเตสร้างบูปะสโมโอสุขโขก็ดีจึงหมายถึงสังขารของอวิชชาโดยกลุ่มและการระ ง, งับก็ระงับสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาโดยกลุ่มเมื่อสังขารประเภทที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจอาวิชชาดับไปท่านจึงตรัสว่าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ ขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติได้พิจารณาย้อนเข้ามาถึงสังขารที่เป็นวัตถะสังขารคือต้นไม้ภูเขาไม่ใช่วัตจะเป็นของที่มีอยู่ในโลกธรรมดาซึ่งเขาเองกม็มีความรู้สึกในเขาว่าเขาเป็นวัตตกหรือวิวัตตะเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอยู่เท่านั้นแต่สังขารที่เกิดขึ้นภายในใจของเราที่ได้รับความกดดันออกมาจากอวิชานี เป็นสังขารที่จะทำบุคคลหรือสัตว์ให้หมุนเวียนในรับความทุกข์ความยากความลำบากและจัดเป็นอายศัตร์อันเยี่ยมได้ดวต่อเมื่อได้ระงับสังขาร น, นนี้ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่มนีวันนี้ไดะอธิบายถึงื่ง สังขารที่เกิดขึ้นดับไปและการดงับดับเสียซึ่งสังขารที่เกิดขึ้นและดับไปนั้นว่าเป็นความสุขังยิ่งใหญ่สังขารที่กล่าวมาหน้าบัดนี้มีอยู่กับบรรดาเราทั้งหลายทุกทุกท่าน และปัญญาที่จะดังับดับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็มีอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันโปรดได้พิจรารณาหาทางดับสังขารประเภทนี้ให้ได้เมื่อดับสังขารประเภทนี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีสังขารเป็นเครื่องรบพวนนอกจากสังขารของที่เกิดขึ้นมา เพราะสันติธรรมขอให้พากันตั้งใจเราไม่ต้องคาดไปมากมายหรือนอกเหนือไปจากใจของเราเรื่องกองทุกข์ไม่เคยมีนอกไปจากดวงใจดวงนี้แม้ทุกทางกายเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องภาระของใจจะต้องรับรู้ และรับภาะระทุกเกิดขึ้นจากใจแท้เองก็เป็นเรื่องของใจโดยตรงอยู่แล้วที่จะต้องรับภาระความรับภาระอยู่ตลอดเวลานี้เป็นความสุขที่เราทั้งหลายปรารถนาแล้วเลยพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเบื่อหน่ายต่อทุกข์ก็พร้อยเห็นความลำบากที่ถูก ทุกนั้นกดขี่บังคับทับจิตทับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถอดถอนทุกออกจากใจเพราะอำนาจของศีลสมาธิปัญญาแล้วนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานขึ้นว่าวุชิตังประมจรียังเปล่งขึ้นได้โดยเหตุนี้เรียกว่าจบธมจันทร์หรือธมจันทร์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกไม่มีถ้าผู้ใดเป็นผู้คร่ต่อสติต่อปัญญากําหนดพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นทางเดินอยู่เสมอผู้นั้นจะคว้าเอาชัยชนะขึ้นได้จากดวงใจที่เคยแพ้กิเลสทั้งหลายมาตั้งกับทั้งกัน โดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่ๆอริยสัจจะทำทั้งสี่ที่กล่าวมานี้ตัวได้ทราบว่าคือหวัวใจดวงนี้ความก็คือใจดวงนี้ความตัวอยู่เปิดเผยก็จะเปิดเผยขึ้นมาจากใจดวงใจที่ความตัวอยู่นี้เองโทษแห่งความแห่งใจที่ความตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็คือความหมุนเยยนคือความทุกข์ที่ได้รับอยู่เสมอนี้คุณแห่งความหงายจิตใจของตนได้แก่แดนพ้นทุกข์ความจบสิ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายจะไปมีอยู่ในจุดนั้น สติกับปัญญาเป็นของสำคัญความฉลาดไม่มีสิ้นสุดสำหรับผู้ชอบค้นชอบคิดชอบพิจเจรณาไตรตรองสติก็เช่นเดียวกันการลื้อถอนออกจากทุกตนของตนออกจากทุกได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ ทาว่าความเพียรทุกประโยคต้องหมายถึงสติกับปัญญาเป็นธรรมสำคัญถ้าเน่าขาดสติกับปัญญาไปแล้วความเพียรไม่เรียกว่าความเพียรเดินจงกรมก็เดินไปเฉยๆนั่งสมาธิหรือภาวนาจิตก็ลอยลงเถอตัวไปได้เพราะความไม่มีสติเป็นเครื่องรักษา สิ่งที่เป็นจุดเป็นปมก็แก้ไขออกไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องขี้กลางขอให้พากันที่จะีมม้อริยสัจจะทำไม่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่นักบวชและไม่ใช่คารวา ด, ด้วยเป็นของจริงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ใครพิจารณาให้ถูกหลักของอธิษฐานจะทำทั้งสี่นี้แล้วทูนั้นชื่อว่าเดินทางถูกแล้วทางสายนี้ไม่ขึ้นอยู่กับใครๆขึ้นอยู่กับผู้ดําเนินให้ถูกต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายกับนักบวชและคารวะขึ้นอยู่กับผู้ดําเนินถูกทางผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ขึ้นอยู่กับใครเช่นเดียวกันและไม่มีการมีสมัยเป็นเครื่องกีดกันด้วย เมื่อเหตุเครื่องดำเนินเป็นเครื่องเปิดเผยสำหรับจะรับผลได้อยู่แล้วผลต้องย อ, ยอมรับอยู่โดยดีว่าจะเหนือจากเหตุไปไม่ได้เหตุคือการดำเนินให้ถูกต้องผลจะพึงได้รับนั่นก็คือความสมบูรณ์เพราะนั้นการแสดงธรรมนี้จริง ขอยุติเพียงเท่านี้เพราะว่าไว้เวลาสำหรับท่านที่มีข้อข้องใจตรงไหนเราจะได้สนทนากันในวาระต่อไปจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้